นี้ไปพากระตั้งใจฟังธรรมฟังธรรมหรือฟังเทศได้แก่การศึ ก, ก, าศกษาการฟังก็ดีเลยฟังเทศหรือฟังธรรมรรก็ได้แก่การศึกษานั่นเการศึกษาธรรมะที่แตกจากการศึกษาวิชาอื่นๆ วิชาที่เราเรียนกันนึ่ทั้งหลายที่เขาเรียนอยู่ในโลกทั้งหมดโดยมากเขาเรียนด้วยความจดจําต้องจำโมโหข้อใจขวามันนะจำโมโหข้อนั้นให้ได้ท้องบนให้จดจําให้ได้โดยมากเขาเรียนกันแบบนั้นการเรียนเบื้องต้นถ้าหากเ้าเรียนสําเร็จแล้วเวลาเขาจะไปใช้เ้าต้องไปกลั่นฟองอีก ไ, ไม่ใช่เอานั้นไปใช้ทีเดียวเลย ถ้าวนั้นไปใช้หมดทั้งดุนมันไม่สำเร็จประโยชน์ถึงได้ผลก็ไม่คุ้มค่ามันต้องไปฝึกกรองวินิจฉัยในวิ ช, ชาหน้นั้นเป็นดัดแปลงแก้ไขให้เข้ากับสภาะหรือสถานการณ์นั้นจึงค่อยได้ผลดีคุ้มค่าหรืออาจจะได้ผลหรือเลิศกดันั่นเป็นยัเรื่องการศึกษา นักศึกษาทั่วไปอันนี้การศึกษาในทางธรรมจิตแปลกไปจากนั้นการศึกษาในทางธรรมต้องอาศัยความสงบอบรมให้จิตมันสงบจดจ่อฟังเฉพาะในเรื่องธรรมะที่ท่านแสดงห้อข้อยที่ท่านแสดงพร้อมกับเวลาท่านฟังท่านแสดงนั่น ความๆก้อกันนะทำความสงบไปนในตัวแล้วไม่ตั้งใจที่จะจดจ่อหัวข้อที่ทางแสดงนะครับมันหากไปถึงจุดมันแล้วนะเข้าใจจุดในที่นั่นคือจิตมันสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ไปเจอธรรมะละธรรมะไอ้ทางแสดงปรากฏชักออกมาเลยทมีวิธีศึกษาธรรมะ ก็ธรรมะเป็นของสงบเมื่อใจเราไม่สงบก็ไม่เข้าถึงธรรมะยิงเคยอธิบายให้ฟังมาแล้วอะ่ะพื้นฐานที่ตั้งบ่อกเกิดของธรรมะคือความสงบถ้าไม่มีฐานที่ตั้งธรรมะก็ไม่เกิดไม่ไม่อยู่ตั้งไม่อยู่หรือไม่มีที่เกิดความสงบอ น, นั้นแหละเป็นที่ตั้ง ท้งธรรมะฐานที่เกิดธรรมรับรองธรรมะได้ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นการศึกษาธรรมะเห็นั้นในวาการศึกษาธรรมะเข้าใจใเวลาจะฟังเทศหรืออะไรตา่างหรือแม้ที่สุดแต่เราจะอ่านหนังสือกระชังให้เข้าถึงความสงบคือเข้านอกัข้าไปหาใจวัดไปกับใจไม่ส่งออกไปภายนอกไม่ส่งไปตามอากาศ ค่อยคำที่เราจดที่เราอ่านไปในหนังสือนั่นมาวัดจะคิดใจไม่ให้พุงสะก์ส่งไปภายนอกจริงค่อเด็ดความชัดมีพูดถึงเรื่องการในพื้นฐานของธรรมะบอกเกินธรรมะไปก่อนอันนี้วันนี้จะอธิบายถึงเรื่องคุณแด้วกันบรรดาคุณทั้งหลายนั่นก็เป็นธรรมะส่วนหนึ่ง ถ้าใจสงบแล้วคุณทั้งหลายแหลที่มีแก่กเราจะเห็นชัดคือมาในที่นั่นเลยถ้าหากมันยังมีเครื่องปิดบางคือความไม่สงบวุ่นวายสงศัยคุณทั้งหลายที่เราที่เราได้รับหรือว่ามคีคุณที่มีคุณแก่เรานี่ยปิดมดไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องว่าเป็นของมีคุณจะลัหเลยบางทีทำไปนะ่ะฉนองบญคุณก่อนดีเช่นคุณวิดามารดาเราเลี้ยงมาให้พาแล้วมาเกิดเป็นคนเลี้ยงเราให้เติบโ ต, ตเป็นคนคนเราตั้งใจจะฉนองคุณเ่าด้วยการปฏิบัติอุปถาดในการให้อาหารบริโภคนวดปั้นโดยการต่างๆตางเยเรียกว่าฉนองเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้เห็นคุณชัดหรอกเพราะมันยังไม่ได้ถึงความสงบถ้าหากถึงความสงบแล้วนั้นโอ้โหคุณอนัพนาวิธที่สุดเหลือที่จะอนัพนาคนรนับี น, นพูดถึงเรื่องธรรมะโลกอันนี้เนี่ยธรรมะเป็นธรรมะทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งนั้นโลก น, นี้แต่เราหากว่าไม่เห็นธรรมะเพราะมีสิ่งคลุมหรือปกปิดเราไว้จึงไม่เห็นธรรมะธรรมะไม่มีธรรมะล้วนๆไน่มีต้องมาเห็นโลกนี่จึงจะเห็นธรรมเพื่อเห็นโลกตามเป็นจริงยังจะเป็นธรมรมตองนี้แหละธรรมะเกิดตรงนั้นอ่ะเพื่อเห็นตามจริงเอยจึงค่อยเกิดธรรมขึ้น ถ้าห่างไม่เห็นตาในจริงจะพูดเป็นธรรมชัตเท่าไรก็ไม่ปรากฏธรรมะโลกอันนี้มีสิ่งต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องสารพัดพูดถึงเรื่องคนก็มีเยอะแยะหลายชาติหลายภาษาหลายชั้นหลายภูมิว่าถึงเรื่องการพูดปฏิบัติก็หลายชั้นหลายภูมิหลายเรื่องหลายอย่าง จนดําไปถ่วนเหมนกันเถอะอันเรื่องที่มากๆนี่แหละคนเราพากันหลงกับของมามากเรื่องยุ่งๆมั่งมากเนี่ยพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเรองคิดความเห็นสารพัดหลายเรื่องหลายอย่างอ่ะคนหนึ่งจะเอางั่นคนหนึ่งจะเอาอย่างนี้นคน น, งออง น, ค น, นึงคิดอย่างนั้นคนนึงพูดอย่างนี้ที่อยู่โดยการหมู่มงมากมากันไม่สงบ เพราะความคิดความเห็นไม่ไมลงรอยกันบางอย่างบางประการจุดหมายอันเดียวกันแต่ความคิดไม่ลงรอยกันคือคิดเทาคนธร า, ามต้องการเนี่ยจะทำคนละอย่างคืออุบายที่จะทำให้ถึงความประสงค์นั่นแหละคือจุดประสงค์นั้นน่ะแต่ว่าทำให้คนละด้านทางบางคนก็ทำให้กลงเขาไปถึงนั้นเลยบางทงคนก็ทำให้คร่อมคร่อม ก็อย่างเขาหาเงินในโล ก, ก น, นี้แหละบางคนต้องศึกษาเราเรียนหาวิชาความรู้ลงทุนลงร้อนซะก่อนเมื่อได้วิชาเสด็วิชาแล้วยังค่อยลงทําการทารํางานอาชีพเอาวิชานั้นไปใช้บางคนก็หาเงินเหมือนกันไปหาคนละด้านละทางเห็นพวกข้าววันนี้ค้าขายของเล็กของน้อยยังกระทั่งของใหญ่ของโตมากมาย จะต้องหาเงินต้องการหาเงินนะต้องการรวยอย่เดียวกันบางคนไม่อย่างนั้นทําไร่ทําสวนทําเลือกสวนได้นะพวกเกษตรกรต่างๆสารพัดอะไรให้ได้ก็ต้องไปหาเงินของเก่านันนะบางคนไม่อย่างนั้นเอาเงินไปค้าเงินเท่านี้คือพวกธนาคาร ตรงเลยจะหาเงินมือนกันรวมหาเงินถ้าหาขั้วเราเนี่มาคุยกันเราอนนี้ไปคนละแง่ละทางกันคนนั้นมต้องรวยอย่างงี้สิทั้งคำนี้ต้องรวยคนนั้นต้องทำอย่างงี้ยถึง่อยรวยรวยทะเลาะกันไม่ลงรอยรับคนนั้นบอกคนนั้นดีต้องอย่างเงี้มันยังค่อยจะรุ่รวยต้องคนนั้นต้องเ ง, งี้ยจึงจะรุ่มรวยอทํา น, นอน โลกอันนี้มันสนุกอย่างนี้แหละทำมีอย่างเดียวไม่สนุกนั่นแหละเรื่องโลกโลกทั้งนันอะ่ะยังสรุกอีกทีหนึ่งหาเงินหายไปทำไมกลัวทุกข์กลัวตายมีเงินแล้วไม่ทุกข์ไม่ตายลงความกลัวตายลงอันเดียวกลัวตายอันเดียวกลัวทุกข์อันเดียวอันนี้ หาเงินมาแล้วค่ะนีมันจะทุกข์มันจะมันจะตายกับเพราะไม่ได้ฐานก้ลงปากของหลงท้องของเก่าอันเดียวนั่นเนยอันเรื่องของมากมาลงปากลงท้องของเกา่าแล้วมาคิดกันแค่ขีดเทวดาแค่นี้ทำมาทุกสิ่งทุกอย่างนะสร้างบาปสร้างกรรมเพราะอาชีพเพราะการงานเกิดช่อโกงขงโมย ยิงวิ่งลาวเลยกดขี่ผมเห็นซกันอะไรกันก็เพราะเงินตัวเดียวเงินก็ระโวลมาตัวตายตัวเดียวตัวตายก็เพราะมารวมกังเพื่อปากเพื่อท้องกันเดียวในผลที่สุดอันตัวตายกับปากกับท้องนี่แหละเป็นต่างบาปตามก่ําผู้ไม่เข้าใจเลยนีงเป็นบาปใหญ่กรรมมากกว่ากันนี่ น, น่ปากกับท้องชีวิตของคนเราเนี่ย สร้างกรรมสร้างเวรผู้ที่ไม่เข้าใจหรือไม่ฉลาดสร้างกรรมชั่วให้บาปหนาหนักแน่นเข้าเก่าผู้ฉลาดรู้เท่าเข้าใจเห็นว่าสร้างเมื่อหาประโยชน์หาเงินทาดทองดังอธิบายมาแล้วนั้นเพื่อเพื่อเลี่ยงปากเลี่ยงช่องเพื่อกลัวตาย ถ้าฉนันนั่นน่ะนั้นปากท้องอันนี้มเป็นเหตุจะสร้างความดีไม่มีป่ากไม่ท้องคือไม่ให้มันตัดคือไม่ให้มันตายต่อไปคือได้สร้างผลงานควาดีให้เกิดมีขึ้นในยอมสละความชั่วบาปกรรมต่างๆไม่ให้เกิดนี้ขึ้นนี่ผู้ที่ฉลาดเข้าใจ เห็นโทษเห็นภัยว่าเกิดขึ้นมามันจะหน่อยทําอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ยังค่อยมาวุ่นวี่วุ่นวายทั้งนี้หมายความว่าเห็นโทษและเบื่อหน่ายในการเกิดมาในมนุษย์โลกที่วุ่นวี่วุ่นวายทั้งหลายทั้งนี้คนนั้นเลยเรียกว่าเห็นธรรมเสียเข้าใจรู้ธรรมเห็นธรรมเสียเท่ า, ทา น, นี้แหละไม่เห็นโลกแล้วจะกลายเป็นธรรม อย่างภาษาเขาเรียกตามตลาดน้ำละครโลกมันทั้งจริงของเขามันช่างพูดจริงๆแม้ใครไม่ทราบพูดขณะหายรางวันลนั่นคือมันมาเล่นละครกั น, นจริงๆอย่างเก <c oughs> ิดขึ้นมาเป็นคนเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดมีครอบมีครัวแต่งการแต่งงาน่ันเป็นคนเท่าของแกซารพคัดแต่มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปปิดฉากเข้าหีบหมดเรื่องกันพักหนึ่ง ออกโรงใหม่ยุ่งอะไรอย่างงี้ยแหละวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละต่างคนต่างก็พากันดูกันเนี่ฮะเคนเมากับเรื่องละครไม่ใช่ไปดูเขาได้ขอนี่ไปเล่นกับเขาอีกด้วยดวยิไปสมัครเล่นกับเขาอีกด้วยแล้วไม่ทราบว่าใครเป็นคนดูกันแล้วเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยไม่เห็นทำผู้มีปัญญาทั้งหลายมีผู้ไดธเจ้าเป็นต้น ท่านเป็นคนมองท่านมาดูมาดูละครโลกท่านไม่เห็นน่ะมันเลยเกิดโสดังเล่ท่านเดี๋พมาเปรียบเป็นคนอยู่บนที่สูงมองดูคนที่ต่ำเห็นชัดวัดใครทําอะไรต่ออะไรรู้เรื่องหมดดูคนเดียวผพ้ใจเจ้าท่านดูก่อนของวัดในโลกนี้ จึงเรียกว่าพุทโธตื่นคนเขาโลกพากันเลื่อนหูเลือนต า, ย อ, ยาอย่งกันหลับยังได้จะไปเข้าใจว่าตื่นได้ยังไงพวกเราจะเข้าใจว่าตื่นก่อนนะยังหลับก็ยังหลับหน่คือมันไม่เห็นเรื่องแบบนี้เรียกว่าหลับพระพุองค์ตื่นคนเขาแล้วมามองเห็นโลกดังอธิบายมาแล้ว เมื่อท่านมองเห็นแล้วท่านก็อยากจะพ้นอื่นมองอีกด้วยจึงมีพระสิตรัสว่าเธอทั้งหลายจงพากันมนดูโลกอันนี้โลกอันนี้อันตการรุ่งโรจน์คือมีสรรพัสทุกอย่างเองอยูย่แต่ห่างมืดมนคือว่าทำไม่รู้ตัวนั่นเองอย่างมืด อะไรทําทุกสิ่งทุกอย่างเราทําอยู่นะไม่รู้จักว่าเราทําอะไรต่แรกนะั่นทั้งทําดีได้ทําชั่วทําดีรู้ตัวทําชั่วไม่รู้เสเลยแคนะ่นั้นพระเดชจ่าจึงสอนเให้พากมีสติให้ควบคุมสติรักษาใจของตนไวให้ดีคือย้ํามันหลงเชิญเมื่อมีสติสามประชานิย ม, มันก็เกิดขึ้นไลยนะถ้าไม่ไรรู้อยู่ทุกขณะ เห็นเ่ยทุกเมื่อค้าเนี้เราพูดถึงเรื่องภาวนากันภพราะวานามีสองแบบแบบหนึ่งตั้งสติเห็นเราอยู่ทุกขณะเราพูดเราทำเราคิดเรานึกเห็นอยู่ตลอดเวลา จับจ้องมองเห็นอยู่ทุกขณะแบบนี้ได้คุณรู้ได้ได้ปัญญาเกิดความฉลาดคือว่าเห็นดีเห็นชั่วเห็นผิดเห็นถูกเห็นแค่นี้แหละไม่ต้องเห็นเทธธวดาเทวดาอินพรหมอะไรละนรกสวรรค์ไม่ต้องไปดูกันหรอกดูนรกเราเนี่ยนราคิดดีเกิดสวรรค์ขึ้นมาเราคิด เบียดคิดโกรธคนนั้นคนนี้อิดชาคิดช้าไม่ชอบออกใจนั่นนะโลกเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเกิดต้องตาเอ็นดูเมตตาปานีอกอ้ อ, อมอารีจงรักภักดีซึ่งกันและกันเอาเลยสวรรค์เกิดขึ้นมาจิตใจเราขวางใช้บิกบาจะไปดูที่ไหนนะโลกที่ในสวรรค์เนี่นั้นโ ล, ล, ลกอยู่ที่อกของเราเนี่สวรรค์ที่อกนร้กที่หัวใจของคนนั่ น, น, นี่โบราณก็สอนดิีสอนดี สอนจะอะไรแต่คนก็ไมเห็นนระกสวรรค์งตนนี้แหละเนี่ยเรื่องมันติดมิดอย่างเงี้ยทั้งๆที่ทักนสอนอยู่แล้วและก็มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เห็นอีกด้วยยังไงเพราะอะไรเพราะขาดสติทมปัญญะไม่ต้องหลับตาก็ได้ได้ภาวนาแบบนี้ง่ายๆลื่นตาก็เห็นจะรับตาก็รู้นอนไม่หลับก็รู้ ตื่นอยู่ทำการทำงานได้รู้อยู่ทุกขณะเห็นอยู่ทุกขณะภาวานาแบบนี้ง่ายแต่คนไม่ชอบชอบอยากหลับตาเรื่องมืดมิดจนกระทั่งจิตไม่มีรู้สึกอะไรเลยนั่นยังให้เป็นนูนอ่านหน้นเอาไว้อีกตอนหนึ่งต่างหากถ้าหากเราควบคุมจิตตรง น, นี้ได้แล้วสติสัพพัญญารู้ตลอดเวลา มันเป็นเองเหรอกอันนั้นต้องเอาตรงนี้ซะก่อนหัดตรงนี้ซะก่อนเห็นว่าพรนามีสองอย่างอย่างมีสติสัมปชัญญะที่ว่าเนี่ยทําได้ทุกเมื่อทุกอย่างทุกผู่ทุกคนทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทําได้ทุกแห่งทุกคนไม่เลือกคือเราต้องการศึกษาธรรมะอย่างที่ว่ามาแล้วเบื้องตน้น นี่แหละการศึกษาธรรมะต้องศึกษาแบบนี้คือเห็นเรื่องจิตของเรานะ่ะศึกษาจิตของเราเนะ่ะพูดง่ายง่ายถ้าหาก ร, รู้เรื่องของจิตเห็นจิตแล้วนะ่ะทั้งกายแม่วาจาไม่สำคัญหรอกก็ทำทั้งหลายมีจิตเป็นใหญ่จิตถึงก่อนสาเร็จแล้วด้วยใจสาเร็จแล้วด้วยจิต ถ้าเห็นจิตตัวเดียวแล้วไม่ต้องหาวิชามากมาย้ากมายเลยหรอกขอให้จับจิตตัวเดียวให้ได้เลยจับจิตได้ก็สติจดจ้องไเพหัว เ, เรื่องจิ ต, ตถ้าท่านอยารู้ตัวตลอดเวลานั่นก็เป็นโาษนาถ้าไปจับตรงนั้นสนุกยืนเดินนั่งนอนมันสนุกอยู่คนเดียวเลย แจะมาให้รู้เห็นอะไรเลยหมดเงียบหายวับเข้าไปนั่นจริงจะเรียกภาวนาไม่ใช่อันนั้นเอาไว้ต่งางหากฮะนั้นเป็นผลอันเนื่องไปจากอันนี้มือนกันถ้าไม่มีอันนี้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถึงอธิบายฟังมาแล้วหลายครั้งแล้วคนงานของจิตคือมีสติควบคุมมีสติสัมผัยัญ ญ, ญา ก็คุมอยู่ตลอดเวลาคุมจิตรู้จิตอยูตลอดเวลาเรียกว่างานของจิตงานนั่นนี่แหละเมื่อเราไปรู้เท่าเข้าใจในสิ่งต่างๆเช่นเรามือเราทําการทํางานนี่ไงจัดหาดยาได้ยาแล้วจะทําอะไรก็ตามเถอะเรารู้อยู่อย่างเราจะเอาไม้มาเหล า, าไม้มาจักต่อกมาสารอะไรก็ตามเถอะ แล้วรู้ว่าเราทำอยู่ขนานี้เวลานี้ทันอยู่ตลอดรู้ตัวอยู่ตลอดทุกเมือ่อนี่เรื่องานของจิตถ้าหามันทันยังไงเลยคะนี้มันวางเองเหรอมันไม่ยึดมันไม่ไปยึดมันวางแล้วมันเข้าไปพักเลยกันหายวับเข้าไปงานจิตสําเร็จแล้วก็ต้องพักเหมือนกับงานของกายทําอะไรถ้ า, าสําเร็จก็ต้องพัก งานเคองจิตเป็นเดียวกันแต่การพักนั้นพักออกกําลังจะไม่ได้งานเมื่อเรานอนหลับหรือลับพักก่อนไม่ได้งานหรอกแต่ถ้าแบบพักมันกองแบบนี้กําลังที่ทํางานต่อไปงานเคร่องจิตเป็นเดียวกันมิจะทําล่าไปมิได้คิดนิ่งล่าไปมิจะตรงสายไปล่าไปไม่มีกําลัง ทำงานไม่เรียบร้อยคือไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความอาัศจรรย์ความรู้อันนั้นเป็นสัญญาเลยไม่ชัดใน่เจ น, นดังอธิบายฟังในบนตน้นถ้าคุณทั้งหลายถ้าหากจิตไม่สงบใจไม่นิ่งไม่รู้ทำทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าจิตมันสงบแล้วคราวนี้มันออกมาทํางานอีกคือมา แห่งที่จะนาดูอาการตอวนที่ทำยูทูบเยียบบทมีจิตสายยายยัพพัญญาญ่จึงค่อยเกิดความรูขษษษ้ขึ้นมาอัจจันขึ้นมาในสิ่งนั้นนเราต้องการชำระใจใครเป็นคนชำระใจหากมีปัญหาถามคุณอาจารย์ใจมันมีกิเลสใครเป็นคนชำระชำระกิเลสใครเป็นคนชาระให้ ถ้าหากพูดอย่างกับบ้านดีๆก็เลียกใจชำละใจถ้าหากว่าเข้าไปไปฏิบัติตรงนั้นแล้วสติมีความระลึก อ, อยู่เสมอในการที่เราทาอะไรทั้งหมดแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอลึกได้รู้ตัวสองอย่างนี้แหละระลึกได้ในการที่เราทำคิดนึกรู้ตัวฟ้องตรั้นในความระลึกได้ แเราลู้ตัวเราทำอะไรรายการเราลึกยึดได้อยู่เสมอเรารู้ตัวอยู่เสมอที่เรียกว่าสติสมัชย์นิยมเรื่องนั่นเลยเลยมันจางไปเองเลยที่เราเคยติดเคยคล้องที่เราเคยยึดเคยถือเลยจางไปม่รู้ตัวไม่ทราบว่าใครชาระใครไม่ทราบอะไรเป็นอะไรกันแต่มันเข้าไปมีสมาชิกพร้อมกันทํางานร่วมกันแล้วมันเลย หายไปเองอันเรื่องที่ว่ามันไม่ยึดไม่ถือคือมันหายคือไม่ยึดคือมันไม่ถือคือมันไม่มีกิเลสกิเลสคือเ่องยึดเคถือมันหายหมดไปและไม่ทราบว่าใครชําำาะใครเลยครับผู้ปฏิบัติจรจะพูดแล้ะจะตอบตนถูกคนอื่นตอบไม่ถูกท่านตอบได้คนอื่นก็ไม่รู้ด้วยใครจะตอบทักทายก็ได้ครับไม่มีคนอื่นรู้ด้วย าหารเราไปทําเข้าตรงท่านแล้วไม่ต่ากับใครชำระใจไม่ว่าจิตใครชําระจิตเนี่มันปัญหาที่ว่าใครชําระจิตนต่อไม่ถูกทิเลดคืออะไรก็ต่อไม่ถูกหเองนนเนี่ยธรรมะที่เที่ยวปัิจจตังทําครั้งส่อไม่เจอเรียกว่าปัิจจตังเห็นจะก็ทนสำหรับผู้ปฏิบัติ ถ้าผู้อืปฏิบัติแล้วทำไมรู้ไม่เห็นยังไงการปฏิบัติเบื้องต้นตั้งแต่ทําความสงบไปเมื่อสงบแล้วเคเห็นตัวสงบแลยค่ะนี่นะมันเห็นมาจากนี้เลเบื้องต้นตังปฏิบัติจากนี้เล ย, เเลยให้สงบทําให้สงบใจให้สงบก่อนถ้าใครเป็นคนทำใจให้สงบเอาอาหากมีปัญหาอีกก็จะรู้ได้เหมือนกันน่ะไม่ทราบว่าใครเป็นทําใจใสงบ พอเรารู้เรื่องของใจใจมันกวัดแกวงใจมันสงสัยใจมันคิดนึกนเรารู้แล้วถ้าหากรู้แล้วใครเป็นคนรู้ใจเขาคนนี้มันสลับซับซ้อนอย่างนั้นแหละถ้ารู้แล้วเรากลัวใครเป็นคนกลัวเขานี่เราไม่ต้องการมันเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วใครเป็นคนทุกข์เดือดร้อนใครเป็นคนกลัว ถ้าห่างเราพิจารณาตรงนี้สนุกสนุกเลยไม่อยากคิดเรื่องอื่นนลยคะ่ะนี้ไม่อยากพิจารณาเรื่องอื่นแล้ววนกันอยู่นั้นเลยในนั่นเลยจึงว่าการพิจารณาธรรมไม่ใช่ที่อื่นคือโลกนี้เละเป็นธรรมธรรมล้วนๆไม่มีต้องเอาโลกนี้่าเป็นธรรม เหมือนกันกับว่าพืชผลต่างๆมันไม่มีในโลกอันนี้เวลาเราปลูกขึ้นแล้วไม่มีเอาพืชผลแต่อาศัยปุ๋ยนั่นแหะไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงต้นมันต้นไม้พืชผลเท่นั้ น, น, นไปหล่อเลี้ยงจนกระทั่งพี่ดอกออกผลจึงจึงไพี่ดอกออกมาจึงกลายขึ้นผลขึ้นผลจริงๆไม่มีแม้ที่สุดแต่ไปปลูกทีแรกจะเป็นเมล็ดซ้ำอีก ผลมาเกิดมาจากปุ๋ยปุ๋ยหล่อเลี้ยงทั้งน้นานทั้งปุ๋ยหล่อเลี้ยงยังเกิดผลและปฏิบัติธรรมก็เงนินกันทําล้วนๆไม่นีแต่เมื่อไปเห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกประการนี่จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาทำหาได้ง่ายถ้าทําถูกถ้าทําไม่ถูกเป็นโลกทั้งหมด เหมือนกับเปลูกต้นไม้ปลู ก, กดินไม่ปุ๋ยไม่ดิไนไม่น่าเหมือนกันแต่ว่ารักษาไม่เป็นหรือไม่ลดน้าพรวนดินผนจะไม่เกิดจะมีแต่ถจะมีแต่ต้นแต่ลำํำไม่มีแต่ยานหัวผลไม่มีถ้าเราทําให้ถูกองกลายเป็นธรรมเรียกลูปธรรมนามธรรม จะแล้วไปเห็นแล้วน่ะไม่มันไม่เห็นเป็นธรรมเลยแล้วครับเห็นเป็นตนเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างมันแก่มันเฒ่าจำลุกซุกซนก็เลยไม่เห็นตามในจริงอยากจะให้มันหนุ่มมันสาวอยากจะให้มันหายไม่มีโรคมีภัยอยางให้มันอ้วนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์มันมีผิวพรรณผ่องใสเลย่ยประเดบัดประดาตกแต่งทำไม่แต่เพียงแค่นี้เลยเป็นโลกไปหมด แค่จริงก็อันทำแท้ๆเอาทำมาหล่อเป็นโลกหมดเอามาหลอหลอมเป็นโลกทั้งหมดเลถ้ า, าเราทำถูกอย่างที่ว่าแห่งพิจนารณาถึงรูป ก, กายคองเกิดมาสลายดับสูญไปจริงที่เกิดขข้ามาต้องวุฒมาตามกันยุ่งมาตามกันดังอธิบายในบนตนคล้องยุ่งตามมาตลอดเวลา หากมีรูปมีกายเกิดมาเมื่อไรแล้วแต่สิ่งทั้งหลายเนี่จะต้องตามมาหมดมารวมกันในที่นี้ก้อนเดียวนหมดเลยภาษาที่เราวากองทุกข์กัพูดกลองอยู่แล้วมันมากองยในนี้หมดเลยมันรวมในแห่งเดียวนี้หมดโลกเขาจะเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายข้าวฟันกันแทะเทไรยี่เท่าไรจะมาต้มใจของเราคนเดียวนี่แหละ ไม่อยู่ดีเข้าใจนะลูกหลานญาติวงศ์ที่นอกบ้านช่องเรืองสร้างสถานที่สมบัติทั้งหลายนะผมดมันจะเป็นยังไงมันจะดีจะชั่วมันจะเจริญหนุนเรื่องเรื่มาจีหายยันได้เดียวกันอะไรก็ตามเถอะขั้นมันเจริญหนุนเรื่องก็เสียดายกลัวจะมีอันตรายข้นมันเสื่อมศูนย์ไปแต่กลัวมันจะหมดสิ้นศูนย์หายไปม่อยู่คนนี้คนเดียวอยู่ได้อยู่ไหนก็ตามเถอะไม่อยู่ในศูน มาคิดมาตึกมากองนอนทำไมล่ะ ม, ม, มากองอยู่หัวใจน่ไม่ใช่จะกองในกายกองหัวใจอนั้นมากองยุ่ยกายนี่นก็หลายอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปล า, ปปปปปปปลาถ้าพัดทักไม่มารวมยังไงมากองเลยมดอันสัตว์ทั้งหลายที่มันตายกันเจะ ม, มีอันเจอ ดูกันในโลกอ น, นี้กับข้อมากองอ น, นี้ทางนั้นเนี่ยมากองอยู่ในกายของคนเนอ่ยแบ่งกันเนี่ยทุกอันนี้แหละยังเคยไปวิ่งไปหาหนูพวกนั้นกับพลอยทุกไปตามกันปลาอยู่ในน้ำเนี่ยตัดอยู่ในบกหมูเป็ดอะไรต่างสัตวปทุกอย่างเลี้ยงคกลือที่ในสารพัดทุกอย่างคลอยมาทุกกับตัวนี้แหละตัวนี้ทุกจะดิ้นลนแหละไมนยังเอยไปหาเหมือน เพราะนั่นกับพลอยทุกเดี๋ยวรอดไปตามนี่เรื่องของกองทุกมันเป็นอย่างนี้จึงว่ากองทุกขคือตัวคนเราเนี่ไม่เห็นนังหลายคนเราเพราะมันไม่สงบมี้ด็กเกกินก็ถ่ายเดียวเห็นเน่ะโอ้โหย เห็นเนื้อเห็นสาดมีแตจะกินทาเดียวคิดถึงอะไรอร่อยทายเดียวมันไปยังไเนี่ยไม่คิดถึงเรื่องความวิบากไม่คิดถึงครามลบากทั้งหลายเหล่านี้จริงก็เป็นเอาธรรมไปเป็นโลกหมดกับกระเหตุมันไม่สงบไม่สงบอย่างเดียวแล้วก็เลยโลกก็กลายเป็นธรรมไอ้โลกธรรมก็กลายเป็นโลกกันหมด โลกก็ยังเป็นโลกเป็นหนาเขายิาง่งเก็โลโกโที่แท่นว่าโลกคือหมูสัตว์นี่ทำไมยั่งว่าโลกโลกเป็นของกลมทางวิทยาศาสตร์เขามีข้อแล้วเขสร้างดวดได้แล้วว่ากลมจริงๆแต่ความกลมของพระพุทธเจ้าไม่ได้กลมอย่างนั้นคือมันหมุนหมุนอยู่ในตัว เกิดแล้วก็มาตายตายแล้วก็มาเกิดเกิดแล้วก็มาตายตายแล้วก็มาเกิดไม่ทราบว่าใครเป็นใครไม่ทราบอะไรต่ออะไรที่เราอยู่ในตัวของเรามาบำรุงเนื้อกายของเราตัวของเราเนี่ยมาเป็นเนื้อเป็นหนังมเป็นกระดูกเอ็นเลือดเนื้อหมดเนี่ยไม่ทราบว่าของใครต้องใครนำมารวมอะนรนี่พอนี้พวกนี้ก็สลายไปล่ะสลายไปกลาเป็นของคนอื่นนี่ล่ะเป็นของชัติอื่นนี่ละ พวกนั้นสายก็กลับมาเป็นของเอาอีกละเบียนก็ไปเปบเียนกันมาหมุนกันอย่างเงี้ยเวียนกันอย่างเงี้ยนี่จะอีกเวียนอีกหนึ่งหมุนอีกหนึ่งเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเท่าแก่ชราตายไปมันเป็นเด็กอีกอันนี้ก็เรียวกว่าเวียนเรียวกว่าหมุนนี่วันกันอันนี้หมุนส่วนภายนอกที่เรามองเห็นแล้วหมุนอีกนหนึ่งหนึ่งเขเอาถเถอะน่าจะไปไห้ก็ตามเถอะ ไไกลแสนไกลเป็นรอบโลกเรบาบ้านเราเมืองกันต่างๆแล้กก็กลับมาของเก่ามาจุดเก่าอันน่ะเกิดตรงไหนตายทรงนั้นอ่ะไปไหนก็ไปเถอะแั่กกาเวิ้ของเก่าอัน่ะมันกลมของเก่ากันเเรื่องกลมเรื่องเวียนหรืออีกพูดทั้งเรื่องใจละครใจยิ่งกลมริี้วเลยคิดไปทื่ ลงคิดแต่งคิดอะไรทาร่าพัดทุกอย่างคิดไปในผลที่ตัวกระ ก, กับมาตัวตายปวดทุกข์ัวตายแล้วก็คิดกันใหม่อีกละ่ะก็คิดแนวเก่าเรื่องเก่านันแล้วเอาพูดง่ายๆเลยหาเสียปากใส่ท้องคิดอะไรก็คิดเพื่อหาหเสียปากใส่ท้องเรียกว่ากลม ความกลมของโลกพกระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้ไม่เหมือนกับเขาแสดงโลกนั้นช่างเถอะไม่สามารถที่จะทำมาแล้วดิบดีวิสีวิสุ ว, วได้หรอกโลกอันนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราสงบผ่องใสเบิกบานจิตใจของเราอยู่นิ่งเป็นความเกิด ค, ความสุขที่มันหมุนอย่างเขาหมุนมันไม่สุขเลยอเมริกาและเซียก็ขึ้นไปชมโลก คิดอะังคารเพจจันทร์พรังคานมันไม่สุกหรอกวุน่นวายเดือดร้อนออยู่กระเทือนอะอยู่ชิ่นเตืองเงินทองเยอะแยะมากไปตายก็ตั้งหลายคนก็่จะได้ไปได้สมประสงค์สมความต้องการของเขา อ, อันนี้ไม่ต้องไปไหนนั่งเงยก็ตีคนเดียวนั่งอยู่ในห้องนะคนเดียวตัวเห็นมัด เห็นโลกมองดูโลกพระได้ชจ้าวท่นน่ะท่านเห็นโลกเรียกว่าโลกกวีทูนั่นท่านนามพระคุณทนามของโลกกวีทูคือรู้โลกอันนี้รู้แจ้งโลกเนี่ยที่ท่านเรียกว่าขันธโลกคือกายกับใจเรียกว่าขันธโลกอันนี้จึงบริสุทธิ์ยิเศษ็จได้